คุณสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะเช้ากับการที่จะได้มาปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ที่นคิดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับทุกชีวิตและรายการสันสนิสัมทนาเราทำหน้าที่นี้นะคะทางสถา น, นีทีวครอบครัวข่าวในเ0 6ร้อยหกโดยมีท่านผู้อหนวยการหลักสูตรรีเรนมานำการปฏิบัติเกงเลยคือพระมหาไพโบ์อภิปุณโณ น, นะคะท่าน ได้ดูแลหลักสูตรนี้อยู่ที่วัดที่ท่านอยู่ก็คือวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำกันทุกเดือนเดือนละ1คอร์คอสโดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็ในหนึ่งปีก็ยังจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะเราไปกราบนมัส ก, การท่านเพื่อที่จะให้ท่านนำพวกเราปฏิบัติธรรมเตรียมตัวที่จะฟังการสนทนาธรรมกันต่อเลยนะคะ มาส ก, การท่านค่ะเจริพรเรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกันในการปฏิบัติธรรมนั้นลำดับขั้นที่พระพุทธเจ้าท่านใดบอกด้วยสอนอไว้ตัวของท่านเองก็ได้ทําเองปฏิบัติเองด้วยแต่นคือตอนก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นั้นก็คือพยายามที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลจเจริญสิ่งที่เป็นกุศลในใจของเราแต่วิธีการที่เราจะทําขึ้นเพื่อที่จะเราจะสามารถละสิ่งที่เป็นอกุศลทําสิ่งที่เป็นกุศลได้ก็ต้องตั้งสติกันอาไว้ แต่สตินี่แหละที่ว่าเป็นสัมมาสติและเริ่มจากสิ่งที่เป็นอกุศลทางกายทางวาจาซะก่อนอย่างที่เาฟังฟังรายการอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้พูดกับใครแต่มิจฉาวาจาก็ไม่เกิดสัมมาวาจาก็มีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ทําสิ่งใดๆนั่งอยู่เฉยๆมิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะก็ไม่มีมีสัมมาอชีวะอยู่แล้วในการกระทําตรงนี้เรื่องของกายเรื่องของวาจาก็บริสุทธิ์อยู่ละทีนี้เหลือแต่เรื่องของใจที่มันจะมีความคิดนึกต่างๆบาง อริชาของเราตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้จะได้แยกแบ่งความคิดเอาไว้เป็น2 ส, ส่วนด้วยกันนั่นคือส่วนที่เป็นอกุศลคือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทแล้วก็ความคิดในทางเบียดเบียน3อย่างนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งแบ่งอีกส่วนหนึ่งคือความคิดที่ไปหลีกออกจากกรรมความคิดที่ไม่พยาบาทและความคิดที่ไม่เบียดเบียน3อย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งท่านนั้นตั้งสติขึ้น อยู่เฉพาะหน้าเอาจิตไว้อยู่บริเวณที่มันจะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละหรือบริเวณด้านหน้าแต่เรียบเหมือนกับนายตวานที่เขาฝ้าประตูเขาจะอยู่บริเวณประตูนี่แหละตั้งสติขึ้นไว้อย่างนี้แล้วพยายามพี่จะตั้งสติให้เห็นว่าไอ้ความคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นในใจของเราบ้างถ้าเป็นความคิดในทางที่เป็นอกุศลคือทางการพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นเราจะคิดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วที่เรามีความไม่พอใจบางอย่าง มันว้าบมากให้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระ ง, งับไม่กรวนกระวายจิ่งนั้นมาละก็ละมันเสียการละมันเสียหนึ่งก็คือไม่ไปใส่ใจมันถ้าเราไปใส่ใจมันเกิเราไปเกลือกกล้วในมันแต่เราจะไม่ใส่ใจในมันได้เราก็ตั้งสติเอาไว้สิ่งนี้นมันก็จะล้าไปดับไปหายไปแต่ถ้ามีความคิดที่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามความคิดไม่พยาบาทความคิดไม่เบียดเบียนเกิดขึ้น อริยมรรคมาตัวพระองค์เองแต่ตอนก่อนการตรัสรู้เนี่ยก็ตริตรึกไปในความคิดเรื่องนั้นๆได้ตริตรึกไปในความคิดเรื่องนั้นๆเช่นคิดว่าเราจะไปทําบุญที่ไหนเราจะเคยเข้าสมาธิได้อย่างนี้อย่างงี้หรือว่าเรื่องที่เราทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้มาถ้าความคิดนึกเหล่านี้ผ่านมาสิ่งนี้เป็นกุศลธรรมแต่สามารถที่จะตริตรึกได้สามารถที่จะคิดได้แต่ถ้าบอกว่าตริตรึกนานเกินไปท่านเคยเตือนเอาไว้ว่า กายมันจะมีความเมื่อยล้าเพราะสมองมันจะใช้งานพอสมอง ม, มีการเคลื่อนไหวใช้งานเพราะคิดนึกนั่นนี่ น, นู่นถึงแม้จะเป็นความคิดที่เป็นกุศลธรรมก็ตามสิ่งนั้นมันก็จะทําให้กายอ่อนเปลี่ยแต่พอมีกายอ่อนเปลี่ยแล้วจิตมันจะเฮือดห่างจากสมาธิทํำยังไงจนีนิก็อย่าไปคิดมันแต่เข้าสมาธิให้ลึกลงไปดังนั้นความคิดพวกนี้เราก็วางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดแต่เข้าสมาธิให้ลึกลงไปเพื่อหวังว่าจิตอย่าฟุ้งขึ้นเลยเะฉนั้นการที่ เรามีการแยกแยะคือไม่ใช่ไปเหมาหมดละว่าความคิดทุกอย่างไม่ดีหมดไม่ใช่ความคิดที่ดีก็มีความคิดที่ดีถ้าตริตรึกไม่มีโทษ ด, ด้วยซ้ํามีแต่ดีท่าเดียวจะตริตรึกเช้ากลางวันเย็นหรือทั้งวันก็ไม่มีโทษดใดๆแต่ว่ามันจะทําให้กายมีความอ่อนเพลียเท่านั้นเองถ้าเกิดกายอ่อนเพลียแล้วเพราะคิดมากเกินไป เ, เราก็ทําจิตให้สงบไม่ต้องไปคิดเรื่องราวเหล่านั้นโดยการตั้งสติไว้ฉบานหน้าวิธีการแยกแยะเอาสิ่งที่เป็นเวทนา สิ่งที่เป็นวิตกคือความคิดนี้เป็น2ส่วนเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจากระทำและตรงนี้จะทําให้เรามีความฉลาดในเรื่องของความคิดความตริตรึกความดําริในจิตของเราพระปุริชาท่านบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จะตริตรึกไปในเรื่องใดก็ตริตรึกได้จะไม่ตริตรึกไปในเรื่องใดก็ไม่ตริตรึกได้จะดําริไปในความดําริใดก็ดําริได้จะไม่ดําริไปในความดําริใดท่านก็ไม่ดําริได้เป็นบุตรีว่ามีอํานาจเนือจิต ในคล้องแห่งความคิดทั้งหลายท่านว่าไวอย่างนี้อันนี้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าของเรามีเรามาระ ล, ลึกถึงคุณธรรมต่างๆของท่านเนี่ยในขณะที่เราดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยจิตใจเราก็มีศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธาที่เรามีในพระพุทธเจ้าศรัทธาตัวเนี้ยจะทำให้เรามีการทําจริงแน่แน่จริงเราเห็นตัวอย่างของบุคคลที่ทําดีคือพระพุทธเจ้าของเราเราก็เอามาทําบ้างปฏิบัติบ้บางการทําการปฏิบัตินั้นคือวิริยะคือการทําจริงแน่แน่จริง สติเราก็ตั้งขึ้นนั่นเป็นสมาสติมีสติแล้วสมาธิก็เกิดมีสมาธิเป็นรมันเดียวแล้วสิ่งใดที่มันจะมาทําให้เราขัดเคืองมันก็มาไม่ได้เราก็จะวางมันได้ละมันได้อินทรีย์ทั้งห้าของเราก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นมีความแก่กล้าขึ้นจากการฝึกปฏิบัติไปเป็นตามกระบวนการไนะหนทําอยู่เรื่อยๆให้ทาอยู่เป็นประจำความก้าวหน้าอินทรีย์ของเราก็จะมีความแก่กล้าขึ้น น, นั่นเองจริ่พนใช่ไหมะ การมีอำนาจเหนือจิตพระพุทธองค์ทรงมีอำนาจเหนือจิตและเราก็สามารถฝึกปฏิบัติตามที่ท่านได้ทรงกระทำมาก่อนเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตได้ ก, กมากน้อยตามความสามารถของเราตามความพยายามที่เราใส่ลงไปตามความพยายา ม, มประเด็นที่อาจารย์มาต้องการจะไฮไลท์ ต, ตรงนี้คุณโยมติว๋วคือคเรื่องของความคิดว่าถ้าคนส่วนใหญ่คิดว่า คิดนึกนั่นนี่คือจิตไม่เป็นสมาธิบนบางคลเขาคิดอย่างนั้นนะนะ <c oughs> คือคือมันมันไม่ใช่ทั้งหมดเราจะไปเหมาหมดไม่ได้อะว่าคิดทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดมันไม่ใช่นะคิดเรื่องที่ดีก็มีทําให้เราถ้าเราแบบเหมาเนี่ยเราจะไม่ฉลาดในเรื่องความคิดของตัวเองนะแต่ถ้าเรามีการแยกแยะให้ดีเราจะฉลาดในความคิดของตัวเราเองนะว่าไอ้ไม่ดีฉันไอ้นี่มันดีหรือไม่ดีแต่ถ้า ร, รู้เราเห็นเราฉลาดฝึกอยู่บ่อยๆเนี่ยเราเราจะฉลาดตรง น, นี้พอฉลาดปุ๊บมันแยกแยะได้ ไอ้ความคิดนี้ไม่ใช่ของฉันวางไปนี่มันเสียงกิเลสถ้าความคิดนี้เป็นเรื่องดีใช่ทำอย่างนี้นะมันมันจะมีความฉลาดความคมตรงนี้ท่านท่านฝึกมาเป็นขั้นเป็นตอนมันจะให้เราฉลาดในเรื่องของชั้น1กับชั้นสด้วยนะเพราะว่าชั้น1เนี่ยยังมีความคิดอยู่เป็นวิถีวิจารณใช่ไหมชั้น2มันไม่มีแล้วอะ่ะถ้าคุณจะอยู่ๆคุณชั้นหนึ่งยังไม่ได้คุณจะกระโดดขึ้นชั้น2แล้วคิดว่าจะไปชั้น3ชั้น4ี่โดยที่ชั้นหนึ่งยังไม่รู้ว่าดีไม่ดีมันคืออะไไรเนนนนน่่พื้ฐามแ วินัยไม่ได้ไปไปแล้วมันจะคว้าได้ก่อนคือคนเราเนี่ยปรารถนาได้ทั้งนั้นแหละนะคะบางคนก็คิดว่าแหมตัวเองมีความสามารถในเรื่องอื่นๆมากมาเรื่องนี้ก็ต้องมีความสามารถเป็นพิเศษเนื้อบุคคลอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นกระโดดไปเลยไปชาตอื่นได้เลยแต่จริงๆเนี่ยกว่าจะไปชาตที่สองที่สามที่สี่โดยธรรมชาติถึงแม้ว่าจะมีความสามารถ บารมีแก่กล้ามากกว่าคนอื่นก็ต้องผ่านชันหนึ่งอยู่ดีถูกไหมถูกต้องถูกต้องต้องเป็นไปตามลําดับคือคือความมั่นคงเนี่ยเป็นไปตามลําดับอันนี้มาจากแม่บทตรงไหนมาจากแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้เคยอุปมาประมาทกับโคภู้เขาเนี่ยที่เขาเจะเหยียบหินเนี่ยคือเขาไต่ไปตามภูเขาใช่ไหมภูเขากินหญ้ากินน้ำของภูเขานี้หมดแล้วจะไปภูเขาต่อไปเนี่ยก็ต้องเหยียบพื้นที่หินตรงเนี้ยให้มันดีซะก่อนแล้วค่อยก้าวไป ถ้าเหยียบไม่ดีแล้วก้าวไปก้าวไปเหยียบภูเขาข้างหน้าหินข้างหน้ามันก็ไม่ดีจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยกลับก็ไม่ได้ก็คว่ําตรงนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเหยียบตรงหินตรงนี้ดีในเหยียบหินตรงนี้ดีแล้วก้าวไปก็เหยียบดีได้ก็ยกเท้าหลังได้ก็ก้าวต่อไปได้ก็จะได้กินหญ้าที่ไม่เคยกินได้ดื่มน้ําที่ไม่เคยดื่มอันนี้คืออุปมาประมาณนี้ทีนี้ความรวดเร็วและความแม่นยําของชานสมาธิเนี่ยก็ ถ้าคนทำจำนานแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ก็ปึ๊ดป๊ปไปได้เลยทำได้ถ้ายัางไม่ํำนานบางทีรุดรูดขึ้นรุดลงแล้วก็มันก็จะเปดได้ค่ะ <c oughs> นะค ะ, ะก็ไว้พิจารณาในการปฏิบัติของแต่ละท่านกันเอามีคำถามค่ะเจ้าบนเป็นคำถามของเจ้าเก่านะคะคุณจกักริกก็กราบเรียนถามว่าคนที่มีจุตูปปาตาญาณ ผู้ที่สามารถรู้อนาคตได้ไม่ทราบว่ารู้อนาคตของคนอื่นได้หรือไม่ถ้าได้แล้วเรารู้ว่าเขาจะไปตกนรกหรือพบภูมิที่ไม่ดีในอนาคตข้างหน้าถ้าเราช่วยเขาจะเป็นการฝืนกฎธรรมชาติไหมแล้วถ้าบอกเขาว่าวันข้างหน้าคุณจะไปตกนรกนะอย่างนี้จะผิดไหมหรือต้องปล่อยตามเวรตามกรรมของเขาครับ โอเคคำว่าจุตูปปาตาญาณซะก่อนญาณหมายถึงความรู้ญาณคือความรู้ความสามารถจุดตูปปาตาญาณก็คือรู้ในการจุติรู้ในการอุบัติการเคลื่อนและการอุบัติก็คือตายแล้วเกิดนั่นแหละของใครของหมู่สัตว์หมู่สัตว์ประเภทไหนที่เข้าถึงตามกรรมว่าสัตว์ที่ทํากรรมชั่วก็จะไปอย่างนี้สัตว์ที่ทํากรรมดีก็จะไปอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีการตายการเกิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในกรคำถามที่บอกว่า สามารถรู้อนาคตของคนอื่นได้หรือไม่คำตอบคือได้ไม่ใช่เฉพาะของตัวเองของคนอื่นก็ได้อันนี้มันคืออยู่ที่ความชัดเจนของยาณทัศนานั้นความชัดเจนของยาณทัศนานั้นบางคนรู้ได้เฉพาะตัวเองรู้ได้แค่สิบชาติบางคนอาจจะรู้เฉพาะตัวเองได้สิบชาติแล้วก็รู้ของคนอื่นได้บางคนอาจจะไม่รู้ของคนอื่นแต่รู้ของตัวเองได้ร้อยชาติพันชาติอย่างนี้อยู่ที่ความชัดเจนความ เหมือนกระจกว่ามันใสหรือมันขุ่นมัวขนาดไหนอะนะถ้า ค, คุณมีความชัดเจนของยาณทัศนะ น, นี้มากคือกระจกก็ใสามากคุณก็มองทะลุปโ ป, ป, ป, ป, ปร่งได้มากอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไม่มีประมาณในของสาวกอื่ น, นก็จะมีความสามารถตรงนี้ไม่เท่ากันโอเคเดี๋ยวฉันกลับเรียนท่านอย่างนี้นะคะว่าระหว่างฟังท่านอธิบายถึงจุดตูปปาตยานว่าลักษณะเป็นอย่างไรก็พยายามนึกไปว่า ประสบการณ์ของเรานอกจากฟังเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่เคยได้ยินนะว่ามีใครพยากรใครว่าคุณจะไปตกนรกแน่นอนเว้นเสแต่ว่าเวลาที่ถกเถียงกันใช่ไหมคะมหรื อ, อ, อคนทะเลาะกันเนี่ยบางทีก็สาบแช่ง อ, อันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับยานหรือบางครั้งก็เป็นการที่ เราพิเคราะห์ตามตามธรรมเช่นแต่ว่าคนนีผน้ผิดศีลทำผิดศีลขอหนึ่งสองสามสี่ห้าทำบ่อยทำนานเนี่ยตรงนรกแน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็เห็นเขาแล้วก็อาจจะนึกในใจว่าสงสัยอีกแต่คนนี้ไปนกไรกแ่เลยมมไม่เคยเห็นจริงนะคะท่านท่านเคยประสบไหมคะว่ามีใครที่พูดถึงอนาคตว่าจะต้องไปภูมิไหนอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องของญาณทศนะนะไม่ได้พูดถึงตามหลักธรรม คือกิดแต่ในคำถามที่ว่าหลักธรรมเราก็พูดกันได้ว่าทาไม่ดีก็ไปตกนรกทําดีก็ขึ้นสวรรค์หลักธรรมนี้เราพูดได้อยู่แล้วแต่ถ้าผมว่าเราบุคคลนั้นมีรู้แน่นอนว่าคนนี้จะไปตกนรกอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าเออถ้าทําไม่ดีจะไปตกนรกนะถ้าทําดีจะได้ขึ้นสวรรค์นนะการที่รู้อยู่ตรงนี้แล้วบอกเขาให้เขาทําดีเนี่ยมีอยู่นะคือเช่นอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทํานะเช่นเพื่อนของพระเทวทัตเนี่ย เพ่อพระเทวทัอาจจะมานึกชื่อไม่ออกตอนนี้อะนะไม่เป็นไรก็ได้บอกได้บอกพระรูปนี้บอกว่าอย่าติสารีบุตรเลยอย่าติโมคคณานะเลยนะเตือนถึงสามรอบเตือนถึงสามรอบคือพยายามจะช่วยหรือแม้แต่ท่านพระเทวทายก็ตามพระพยยองค์เปรียบตัวพระองค์อย่างนี้เหมือนกับว่าคนตกหลอบ่อหลุมคูดเนี่ยนะตกบ่อหลุมคูดเนี่ยแล้วถ้าเหลือเส้นผมขึ้นมาแม้แต่เส้นเดียวแล้วมันจะมีเครื่องมืออะไรที่พยายามดึงออกมาได้เนี่ยพระองค์พยายามทําอย่างนั้น เพืององพยายามจำอย่างกับใครกับพระเทวทัตแล้วก็เพื่อนของพระเทวทัตอง์นั้นนะพระเทวทันนี่<ะ>ตอนนั้นบรณาภาพไปแล้วนะแล้วเพื่อนของพระเทวทัตตอนนั้นยังอยู่แต่ว่าไปติพระสารีบุตรไปด่าว่าพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเขาพยายามจะบอกว่าอย่าทำเลยอย่าทาเลยคือในใจของพระองค์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันกําลังจะจมบ่อหลุมคูดแล้วเนี่ยเหลือผมมานิดเดียวเนี่ยฉันพยายามจะช่วยดึงอยู่แต่เธอยังไม่ฟังมันก็จมลึกลงลึกลงจนตั้งผมเนี่ยหมดละอ่อช่วยไม่ได้ก็คือจบรอบที่สามแล้วพระองค์นี้ก็แบบ มีตัวปูดขึ้นมาเป็นฝีเป็นห น, นองแล้วก็แผลแตกโปะทรมานอย่างมากแล้วก็ตายไปตกนรกตุมเลยเพรา ะ, ะนั้นการที่เราบอกว่าไอ้เขาจะรู้แล้วว่าเขาจะไปตกนรกอะ่ะแต่ว่ามันยังมีช่องทางที่เหลือจะช่วยอยู่แม้น้อยหนึ่งแล้วช่วยอันนี้เป็นตามกฎธรรมชาติอยู่แล้วไม่ได้ฝืนกฎธรรมชาตินะเออเป็นตามกฎธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่ามันยังมีช่องที่จะช่วยได้อยู่แล้วก็ช่วยการที่จิต เห็นว่าเขาพอจะพ้นทุกข์ได้แล้วช่วยเนี่นี่คือความกรุณานะคุณโยมถึงความกรุณาเพราะนั้นพ<ะ>ระเจ้าจึงบอกว่าเราเอ็นดูใครหรือใครเป็นผู้ที่เขาเห็นว่าเราควรจะเชื่อฟังคือเขาจะเชื่อฟังเราเนี่ยให้ให้ประดิษฐสถานเขาให้บอกเขาเถอะให้ชักชวนเขาเถอะให้มายดตั้งอยู่ในอริยสัจสี่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดียังไงก็ตามเถอะเราจะคิดไปเองว่าเออเขาจะต้องเปิดตรงโลกแน่เลยคนนี้กินแต่เหล้าแล้วก็เป็นคล้านารีเป็นนักเลงเจ้าชู้ เออเราจะปเข้าไปตามนิสถยกรรมมันก็ไม่ดีเราเป็นเพื่อนกันเอาชักชวนเขามาในทางที่ดีแต่ก็มีก็ได้แตตัวอย่างก็อย่างเช่นคติการณ์ในช่างหมอ่อยเงี้ยชักชวนโชติปารามาณพมาฟังเทศฟังธรรมชวนกันทั้งสมรอบไม่มาเอางั้นชวนไปเล่นไปอาบน้ําก่อนชวนไปอาบน้ําไปกินไปดือมอ่มเงี้ยไปใช่ไหมชวนไปอาบน้ําตอนอาบน้ําก็ชวนอีก3มรอบอีกสมรอบก็ยังไม่มาจนกระทั่งต้องเหนียวชายพก เดี๋ยวชายพากก็ยังไม่มาตัวใหญ่กว่าสลัดหลดุดจะต้องต้องจับมวยผมดึงผมกันเนี่ยจะเอาให้ตายกันเลยเพื่อที่จะไปฝั่งต่ำแค่นี้กันชวนกันตั้งหกเจ็ดแปดรอบอ่ะถึงจะไปเนี่เออ <c oughs> ก็ถามว่าก็คือเป็นความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ฝืนกฎของธรรมชาติอยู่แล้วเป็นไปตามธรรมชาติเ <c oughs> นาะ <c oughs> งั้นสรุปแล้วตอบคำถามของคุณจากเกรดก็คือว่า ผู้ที่สามารถรู้อนาคตได้เพราะมีจุดูปลาปาแต่ยานเนี่ยมีจริงๆรนะคะแล้วก็รู้ได้ถ้าอนาคตของตนแล้วก็อนาคตของคนอื่นขึ้นอยู่กับว่าความแก่กล้าของยานของท่านนั้นและถ้าหากว่ารู้ไปถึงว่าคนนั้นจะไปภูมิที่ไม่ดีจะช่วยเขาเี่ไม่เป็นการฝืนธรรมชาติส่วนบอกว่าวันข้างหน้าจะไปตกนรกอ็อกเกียงนี้ผิดไหมอ่า ต้องหรือต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมของเขาตักเตือนกันได้ถูกไหมคะใช่ช่วยกันได้ช่วยกันได้ไะนะคะเดี๋ยวฉันสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคมแม้แต่กระทั่งตัวเองเราก็รู้สึกพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะบ้างเนี่ยนะคะบางทีก็ตกใจลเลยไอย้ความคิดเนี้ยที่สมมติว่าเราคล้อยตาม การที่คนมาบอกคนเนี้ยไม่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นพระเป็นเจ้าเลยนะคะ uh huh. เหมือนกับว่าเป็นพระที่ดูเหมือนกับเป็นผู้ที่ผ่านการอยู่ในศีลของพระพุทธองค์นมานานแล้วด้วย uh huh. แล้วบางทีเราอาจจะพลอยไปเชื่อแบบเข้าบ้างแต่ในอีกความคิดหนึ่งก็คือเราจะตกนรกไม่เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้ผิดอย่างนี้สมมติอย่างเงี้ยนะคะนี่นี่เ๋วต้องแยกแยะคุณโยมตีเราต้องแยกแยะ ค, ความจริงก็คือความจริง ความาเชื่อคือความเชื่อจิตของคนเราบางทีมันยากแท้อย่างถึงนะอย่างถ้าผูฟ้ฟังฟังธรรมาพูดอยู่คุณยมติว๋วฟังคุณยมติ๋วพูดอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าในใจขณะที่ปากพูดไปในใจคิดอะไรเราจะไม่รู้เลยแต่ถ้าคุณไม่ได้อ่านจิตของเขาได้จิตมันยากที่จะหยั่งถึงที่เราฟังข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมาเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่าขอ้อที่จริงบางทีมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดนะคือเราอาจจะคิดว่าภาพให้สวยรู้ว่าคนนี้ต้องเป็นงี้ๆนะแหมสวยรู้ดีจังโอเค แต่ความความจริงไม่รู้ที่เขาพูดมาเนี่ยอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้นะอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เราบอกโอ้โหเราไม่คิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเราจะตกใจใช่ไหมเราจะมีความแบบคือมันไม่เหมือนที่เรา expect ไว้อะมันก็จะแบบจะยังไงล่ะตรงนี้เราก็จึงต้องควบคุมจิตตรงนี้ให้ได้ว่าเออเราต้องความจริงมันก็มีนะความจริงมีมันอั่งที่อาจจะไม่ถูกใจเราตรงนี้เราจึงอยากคิดให้มีอกุศล การรับรู้ข้อท็่จริงเนี่ยเป็นไปได้นะแต่อย่าให้มีอกุศลเข้าใจค่ะคือคือดิอฉันกําลังจะพูดถึงประเด็นนี้ว่าบางทีมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็เหมือนบางทีเราเชื่อไปเลยสมมุตินะฮะมันเป็นอะไรที่คนถูกกล่าวหาดิฉันใช้ ค, คำนี้ตรงๆดีกว่าว่าการถูกกล่าวหาเนี่ยแม้กระทั่งในทางโลกอืเขาก็ยังไม่ตัดสินทันทีว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นคนผิดถูกไหมคะแต่ว่าในความเชื่อจะฟังเพราะในฝ่ายที่กล่าวหา ก็จะพยายามสายข้อมูลให้น่าเชื่อถืออืมันก็อาจจะทําให้เกิดการตัดสินไปโดยด่าวางทางเรื่องยไปไม่จบแล้วเรื่องจริงๆดิฉันว่าเผลอๆจบแล้วความจริงก็อ่าในบางที่บางเวลาอก็อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคือคือการที่จะตัดสินว่าผิดหรือถูกเนี่ยมันไม่ใช่เราตัดสินหรือว่าคนที่มีอํานาจเขาตัดสินอยู่แล้วนะคือถ้าคุณทําผิดมันผิดตรงนั้นแล้วก็จะไมถ้อมันไม่ใช่ว่าตํารวจมาจับแล้วคุณถึงจะค่อยผิด มันิดตั้งแต่คุณตรงทม์นั้นแล้วคเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นสมมติเราได้รับข้อมูลมาเขาอจะผิดจริงหรือเขาอาจจะถูกจริงก็ก็ก็อาจจะอาจเป็นไปได้ใช่ไหมทีนี้มันไม่ใช่ว่าเกี่ยวว่าเราจะตัดสินผิดหรือถูกเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันผิดถูกมันอยู่ที่ตรงนั้นแต่เรารับข้อมูลมาเนี่ยเราก็ให้สบายใจอ่ะอย่าไปคิดสิ่งที่เป็นอกุศลคิดที่เป็นอกุศลคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่เป็นอกุศลคือด่านะด่าว่า แล้วก็แบบร่วมใส่ไฟกันด้วยอันนี้อย่าพูดอย่างนั้นนะแต่ถ้าบอกว่าถามว่าเออมันจริงเหรอแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงอันนี้ก็พูดได้ก็ไม่ได้เป็นมิจฉาวาจาหลักเกณฑ์กต่ตัดสินใจมีอยู่แล้วนะคือกุศลอกุศล น, น, นะอย่าให้ใอกุศลกบดเกิดในใจเราถ้าเราจะคิดก็อย่าไปคิดด่าเขาในใจอย่าไปคิดพยาบาทแต่ให้มีเมตตาโอ้จริงเหรอท่านผิดอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยโอ้น่าสงสารเนาะเนี่ก็มีกุเบิดขาไปมีกรุณาไปอย่างเงี้ย ดี่ฉันถามเรื่องข้อเท็จจริงในเรื่องสถานการณ์จริงทุกวันนี้จะมีการแชร์ข้อมูลกันอฮ uh huh. สมมุติว่าเป็นแชร์ข้อมูลนเน้นหนักไปเรื่องกล่าวหาอย่างเดียวอื uh huh. นะคะเราก็เหมือนกับอ ม, มีคนนี้คนดังนะอ่า uh huh. เรา <Okay. S 2> น่าจะให้เพื่อนเรารู้หน่อยนะว่ามีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นแล้วกับคนนี้บังเอิญเป็นพระอินทีที่ฉันบอกน ะ, ะ uh huh. แต่ว่าอข้อกล่าวหานะั่มันฟังขอขอประธานโทษนะคะชั่วไร้ายมาก uh huh. ดิฉันส่งต่อเลย อยากให้เพื่อนเพื่อรู้รู้ว่าเยอะเอะเอถ้าบอกว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นจริงในข้อมูลนี้ไม่เป็นจริงแล้วเราส่งต่อไปเนี่ยอันนี้คือเป็นการพูดเพื่อเจอื่อในเป็นการพูดเพื่อเชือก็เป็นมิจฉาบาจาร์หนึ่งเนาะทีนี้ถ้าบอกว่าข้อมูลนี้เป็นจริงข้อมูลนี้เกิดเป็นจริงแล้วเราส่งต่อไปเนี่ยแล้วมันจะเกิดประโยชน์ไหมอันนี้เราต้องตามตัวเองวจีกรรมใดๆพระพรุทธเจ้าบอกบอกท่านพระราหุลว่าถ้าทําไปแล้ว ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสฝ่ายเป็นเวิธีกรรมที่เป็นกุศลก็พึงกระทำถ้าเบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยก็ไม่ควรกระทำแต่ถ้าส่งไปแล้วเราพิจารณาแล้วว่ามันโอ้ไม่ทำให้แบบไม่ดีเขาจะแบบวิทวาดขึ้นมามี response ที่มันจะทําให้เกิดความเสื่อมศรัทธาศรัทธาเขาจะตกไปอะไรงั้นเราอย่าส่งต่อให้มันจริงกร็ตามก็อย่าพูดก็อย่าส่งนี่นะพิจารณาตรงนี้ ในยุคที่มีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆท่านฟังก็อาจจะเกิดการสรับสนลางเลแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงถึงจะถูกก็ลองใช้หลักที่ได้สนทนามากับท่านเพบุญตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะหลักกุศลหลักอกุศลปฏิกิริยาในการตอบโต้หรือต่อสิ่งนั้นเรื่องนั้นมีไปในทางที่ผิดศีลหรือไม่อันนี้ เพียงพอแล้วใช่ไหมคะอิปการหนึ่งอิประการหนึ 1, ่งในสมหรับเรื่องของอาชาก็คือว่าถ้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดต่อเลย ค, คือจบที่เราเลยแต่ว่าเราได้ยินเรื่องของไม่ดีของคนอื่นต่อให้มันจริงเลยอะ่ะโอ้ใช่จริงเลยคนนี้เขาชั่วอย่างนี่งี้ๆแล้วก็ชั่วร้ายเลวซามต่ําซามมากมีความประพฤติซ่อนเน้นบกปิดมีความเน่าในแล้วถ้าเราไปพูดต่ออันนี้เราไม่ควรทาเพราะอะไรเอาความไม่ดีของคนอื่นให้มันจริงก็ตามเถอะเอาไปแฉต่อเนี่ยเราก็เหมือนกับ เอาเอของเหม็นๆมาพูดต่อไปอ่ะเราก็จะเหม็นเองะนะเอนะเพราะนั้นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องพูดต่อแต่เรื่องดีๆของคนอื่นนะเราควรจะามาพูดต่อสมมติคนนี้ไม่ดีเราก็เอาเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ของคนนี้เอาของคนอื่นนะ่ะที่เขาดีๆก็ไปพูดต่ออย่างนี้มันถึงจะดีมีแต่ข่าวดีๆออกจากเราอ่ะแต่ข่าวดีนี้ต้องเป็นจริงด้วยนะตามนี้นถึงจะดีนะค่ะก็คือถ้าฟังรายการธรรมะนี่เราก็เอาธรรมะให้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาของท่านผู้ฟังนั่นแหละนะคะ พ่อเราเชื่อว่าคที่ฟังหรือว่าเสพทำเนี่ยเป็นผู้ที่สวบแส ห, หาการที่จะพัฒนาจิตของตัวเองส่วนในเรื่องทางโลกบางคนบอกว่ามันก็ไปกันไม่ได้สิกระทางธรรมไม่จริงหรอกนะคะท่านลองไปพินิษฐ์พิเคราะห์ดูก็แล้วกันดิฉันเนี่ยนิยมที่จะพูดแบบไม่สรุปนะคะท่านะค ะ, นะ ค, ะคือเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้สรุปว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดแต่ว่าเสนอแนวทางตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์สอนไว้และท่านพิบูลน์นำมาถ่ายทอด ให้ทุกคนเนี่ยก็ใช้หลักเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อที่จะใช้ชีวิตของท่านทนบบาาสำหรับคำถามต่อไปนะคะความเห็นในตัวตนของผมเองคือสัตตานางไปยึดจิตว่าเป็นของเขาแล้วไปยึดรูปว่าเป็นของเขายึดกิเลสว่าเป็นของเขาอพอขาดสติก็จะขึ้นๆลงลงไปตามกิเลส ตามผัสสะที่มากระทบทําให้ทุกข์มากและ ว, วิธีแก้คือต้องฝึกสติให้มากเพื่อให้เห็นอยู่ในถูกต้องตามที่เป็นจริงเห็นไปเรื่อยๆย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดเมื่อคลายกําหนัดย่อมปล่อยวางอเ <c oughs> มื่อปล่อยวางย่อมหลุดพ้นอืเ <c oughs> มื่อหลุดพ้นย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วปรมจรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําให้มากไปกว่านี้ไม่มีอีกดังนี้ไม่ทราบวาา่าผิดถูกอย่างไร แนะนำด้วยครับขอบคุณครับโอเคเออก็ช่วงท้ายๆนี่ถูกอยู่นะเริ่มมาตั้งแต่ว่าพอขาดสติก็จะขึ้นๆ ล, ลงๆให้มันไปตามกิเลสวิธีแก้ก็คือต้องฝึกสติให้มากๆนั้นไล่ไปตั้งแต่ตรงเนี้ยจนเห็นความจริงปล่อยวางคกลกาหนัดก็อันนี้ถูกต้องอยู่แต่ที่คลาดเคลื่อนนิดนึงใ น, นที่อาจารยมาจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือเรื่องของที่ว่าสิ่งที่มันไปยึดถือจิตเนี่ยในจริงๆแล้วอันนี้เป็นศัพท์ภาษาบาลีธรรมดาเลยนะคำว่าสัตว์เนี่ยสอเสือแม่นกตาเต่าตเต่านี่สัตต์ตตตเนี่ยนะ สตารเนี่ยแปลว่า7ก็ได้แปลว่าสัตว์ที่หมายถึงสิ่งมีชีวิตก็ได้หรืออีกความหมายหนึ่งคือแปลว่าข้องก็ได้ข้องนี่ไม่ใช่ว่าข้องจับปลานะแต่หมายถึงแบบแบบคุณไปข้องอยู่ในสิ่งเนี้ยความข้องเนี่ยข้องเกี่ยวข้องอ่าใช่ข้องใจข้องติดข้องยึดข้องใจข้องติดข้องยึดคือศัพ์นี้คําว่าข้องตรงนี้เพราะว่ามีความข้องในขันห้าสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ อันนี้เป็นรูปแบบภาษาบาลีธรรมดาๆรรเลยคุณโยมติวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้อธิบายความหมายคํานี้สมมุติว่าท่านจะอธิบายศัพท์สักคำหนึ่งที่ที่คนหนึ่งเขาไม่ได้ใช้ในความหมายนี้กันเนี่ยท่านจะพูดสไตล์นี้เลยท่านจะพูดสไตล์นี้เลย <Okay. S 1> ที่เป็นการอธิบายศัพท์นะ ว, ว่าศัพท์คำเนี้ยถ้าท่านจะใช้คำเนี้ยท่านก็จะอธิบายในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นคําอธิบายตัวนี้ก็คือว่าเพราะความค้องจะใช้ศัพท์นะี้ค้องคือสัตตานี่นะคือถ้าแปลงเป็นรูปภาษาบาลีใน ลักษณะของกรรมคือสัตตานังนะเพราะความคล้องมีอยู่ในขันห้าดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสัตว์มันคําว่าสัตว์เนี่ยคือผู้คล้องนั่นเองเข้าใจไหมมันคืออธิบายอ๋เป็นบาลีเป็นคําว่าสัตตานังถูกต้องบาลีคือสัตตานังเพราะนนั้แต่ว่ามันหมายถึงว่าคล้องผู้คล้องค่ะอืมค่ะจึงแปลว่าอะไรนะคะท่านผู้คล้องอยู่ค่ะผู้คล้องคือเหมือนกับคล้องคล้องเกี่ยวคล้องยึดอย่างนี้นะค่ะ ข้องในอะไรข้องในขันห้าในรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะความที่ไปข้องนี่แหละจึงเรียกว่าสัตว์แต่ประนั้นคําเนี้คือคําการอธิบายความหมายของคําว่าสัตตานางังสัตว์นี่แหละที่แปลว่าข้องมันอยู่ในพจนานุกรมอยู่แล้วคุณไม่เปิดพจน า, านุกรมก็จะมีค่ะที่ท่านสงสัยค่ะคือที่ท น, นสงสัยว่าดังนั้นที่ท่านกล่าวเนี่ยนะคะกับสิ่งที่ คุณจากกรีฑได้ถามมาอ่าที่ถามว่าสัตตานางไปยึดจิตว่าเป็นของเขายึดรูปยึดกิเลสอือันนี้ก็คือคลเคลื่อนตรงนี้ตรงไหนเพราะว่าคลาดเคลื่อนอย่างไรอ่าดเคลื่อนอย่างไรคือตรงที่เข้าใจว่าไอ้คําว่าสัตตานางเป็นตัวอะไรเสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่สัตตานางเป็นศัพท์แค่นั้นเองที่หมายความว่าการคล่องอและอะไรเข้าไปคล่องคุณอย่าไปไปหาว่ามีตัวอะไรเข้าไปคล่องเพราะว่า มันไม่มีตัวอะไรเข้าไปคล้องแล้วถามว่าทําไมขืนเข้าไปคล้องเหตุปัจจัยอะไรให้คล้องเพราะอาวิชชาอาวิชชาไม่ได้เป็นตัวนะและสัตตานังก็ไม่ได้เป็นตัวนะแต่สัตตานังแปลว่าคล้องอยู่งั้นก็เท่ากับว่าถ้าจะพูดอย่างนี้<ม>ก็คือไม่ต้องบอกว่าสัตตานาังไปยึดจิต<ม>ยึดรูปยึดกิเลสแต่ว่าตัวสัตตานังนั่นแหละขึ้นขึ้นลงล ง, ลงหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ได้ไไดสัตตานังเป็นศัพท์มาจากคําว่าสัตตะ แปลว่าข้องเท่านั้นเองข้องในอะไรข้องในขันห้าไม่ใช่ว่ามีตัวอะไรไปยึดขันห้าไม่มีทำไมมันถึงไปข้องขันห้าได้ระบบการทำงานเป็นยังไงเพราะอาวิชชามีอวิชชาคุณจึงไปข้องอยู่ในขันห้าค่ะคือท่ากนกำลังจะบอกว่าสัตวนางเป็นเพียงกิริยาอย่างนั้นในที่นี้เป็นกรรมเป็นการเป็นคานามน ท, ท, ที่ที่พระพุทธเจ้าเอามาอธิบายไงเพราะ ความคล่องไงความคล่องดังนั้นสิ น, นั้นจึงเรียกว่าสัตว์เพรา ะ, ะนั้นคำว่าสัตว์ในที่นี้เนี่ยก็คือความคล่องนั่นเองนะพระพุทธเจ้าอธิบายศัค์คํานี้มาจากคําถามของภิกษุ ท, ที่ชื่อราทะเขาถามว่าสัตว์สัตว์ในหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าคล่องนั่นเองคล่องในอะไรคล่องในรูปเบตนาสัญญาสังการวิญ ญ, ญาณเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าสัตว์คือเป็นการบรัญญัติศัพ์ขึ้นมาอีกคําหนึ่งอีกความหมายหนึ่งของคําว่าสัตว์นั่นเอง คำว่าสัตว์เนี่ยจึงมีความหมายว่าข้องก็ได้จึงมีความหมายว่าสิ่งมีชีวิตก็ได้นี่นะถ้าเราใช้ใน2ความหมายนี้จะมีแค่นี้เพนะราะฉะนั้นศัพท์เดิมในภาษาบาลีก็คือสัตตะสเสือไมงกะต่อเต่าตอเต่า อ, อ, อ, อ, อ, อีกตัวหนึง่งถ้าคุณจะแปลงเป็นรูปในภาษาบาลีก็คือสัตตานังที่เป็นปรกรรมเป็นกรรมเพราะฉะนั้นประโยคที่เขาถามมาเนี่ยในพระสูตรเดิมเนี่ยก็คือเขาใช้รูปของกรรมเพื่อที่จะถามว่า ไอ้คำเนี้ยมันหมายความว่าอะไรถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนไปใช้คําว่าส at ัตต์เฉยเฉยหรือว่สัตเฉยเฉยนะ ถ, ถูกไหมคะ ถ, ถ้าอย่างนั้นถ้าคากกุณจัดเกล็ดนี่ไม่ใช่คำว่าสัตตานังแต่ว่าใช้คำว่าสัตไปยุดจิตก็เป็นของเขาเนี่ยังถูกไหมคะท่านคะไม่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่าสิ่งที่มายึดจิตมันไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่ามีตัวอะไรไปยึดมายึดจิต ยึดรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณไม่รู้ที่ไปยึดจิตยึดรูปยึดกิเลสแล้วเป็นสัตตานางถูกไหมคะตรงนี้นะคุณโยมติ๋เอาใหม่อะไรไม่รู้เนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าอะไรไม่รู้มาทําให้มันยึดจิตไม่ใช่นะแต่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีความยึดถือเกิดขึ้นที่ที่ตามกระบวนการเนี่ยนะเพราะมีอวิชชามันจึงมีการยึดถืออะตรงนั้นะจึงเรียกว่าผูกข้อง จึงเรียกว่าสัตว์ไงมันจบตรงนี้เข้าใจค่ะแต่แต่ดิฉันกำลังจะดิฉันคิดว่าดิฉันเข้าใจกันคนละเรื่องกับท่านในมุมของวิธีการอธิบายหรือว่าวิธีการทําความเข้าใจดิฉันเข้าใจว่าเรากำลังสมมติเนี่ยเรากำลังเรียนวยากรณ์กันอยู่เลยถ้าจะว่าไปในความเข้าใจของดิฉันโอเคพระชุทธเตรกับราทาอย่างนี้บอกว่าความพอใจอันใดราค่าอันใดนั้นที่อันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปเบญธนาสัญญาสังขารและในวิญญาณใช่ไหมเพราะความค้อง ติดแล้วในสิ่งนั้นข้องตรงนี้นะถ้าคุณไปดูภาษาบาลีเขาใช้คําว่าสัตว์คือสัตว์มีสัตว์อยู่สองคำนะตรงนี้ข้องนี่ก็สัตหนึ่งดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสัตว์มีสัตว์สัตว์นี่ตัวที่2ดังนี้เพราะฉะนั้นจริงๆการแปลตรงนี้เป็นการแปลที่ที่มาจากภาษาบาลีคําเดียวกันคือคําว่าติดแล้วข้องแล้วนี่คือสัตหนึ่งเรียกว่าสัตว์ที่เป็นภาษาไทยนี่ก็เป็นอีกสัตหนึ่งที่2งงั้นงั้นขอภายอย่างนี้ได้ไหมะคะอะ เรนก็กำลังจะกราบเรียนท่านว่าเข้าใจว่าอันนี้สมมุติว่าตัวเองเป็นคนฟังแล้วจะคิดแทนเขาอาจจะเข้าใจไปแล้วก็ได้แต่เผื่อเขาจะไม่เข้าใจเนี่ยท่านสรุปอในสิ่งที่คุณจักเกรดยังพูดไม่ถูกต้องให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง <Okay. S 2> ได้หรือไม่คะแล้วมาะะจะบอกว่านั้นจะตัดต่ออย่างไรดีคะ่ะโอเคก็จะก็จะควรสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่าผู้ที่เข้าไปคล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นแหละ พอมีอะไรมากระทบะก็จึงที่ว่าเป็นตัวเราของเราก็จึงขาดสติก็ขึ้ น, ข, นขึ้นลงๆตรงนี้คือผู้ข้องเพราะั่นสัตตานังคือผู้ข้องนั่นเองค่ะงั้นสรุปแล้วถ้าจะมีคำว่าสัตตานังด้วยคือเด็กําลังคิดว่าคนกาลังสงสัยงั้นไอ้สัตตานังนี่มันคืออะไรถูกไหมคะคือเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นแค่ไวยากรณ์ธรรมดา <laughs> เ, ขเข้าใจค่ะ <laughs> ทีนี้มันจะไปผูกประโยคอย่างไงหรือว่าถ้าไม่งั้นคนฟังจะเข้าใจว่า หลังจากฟังท่านแล้วเนี่ยคำว่าสั ต, ตานางเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนตัวนะคะถูกต้องใช้ไม่ก็มันเป็นไวยากรณ์ธรรมดามันจะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวอะไรเพราะว่าถ้าคนไม่เข้าใจไวยากรณ์เนี่ยก็จะงงคิดว่าอ๋อมันเป็นตัวอะไรแต่เพราะว่าถ้าเราเข้าใจไวยากรณ์ว่ามันเป็นการอธิบายสับธรรมดาอธิบายศับคําว่าสัตว์ว่ามันคือผู้คล้องมันจบเลยเอ่อเข้าใจค่ะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าสัตวสตตานางเนี่ยเป็นคําเดียวกันถูกไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะมันยกมาจ <advertis S 1> ากภาษาบาลีนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ดังนั้นที่ถูกต้องนะจึงต้องพูดว่าสัตว์หรือสัตตานางังคือผู้ข้องในขันห้าอย่างนั้นใช่ปะคะถูกต้องเนี่ยเน่คะ่ะท่านคะ c l a r ฟ f y ตรงนี้เท่านั้นแหละแล้วก็จะได้สรุปว่าอาจึงทําให้ที่คุณจากกรีบอ้างมาในข้างต้นนั้นไม่ถูกต้องเสีทีเดียวไม่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนนิดนึงว่าะอะไรก่อนอะไรหลัง <Okay. S 1> ใช่ัหมล่ะเพราะฉะนั้นคํ า, าคว่าสัตต า, านังนี้คือเป็นรูปภาษาบาลี แตที่แปลงมาแล้วแต่ถ้าเราจะใช้ศัพท์เดิมคือคําว่าสัตตะนั่นเองสัตตะนั้นในประโยคนี้พระพรุทธเจ้าหมายถึงว่าเป็นผู้ข้องเพราะฉะนั้นคําที่คุณจะกกิดพูดมานี้มันจะคล้ายเคลื่อนนิดนึงนะแทนที่จะบอกว่าสัตตะนางไปยึดจิตไม่ใช่ควรจะพูดว่าผู้ที่ข้องในรูปเวทานาสัญญาสังการวิญญาณนี่แหละจะขึ้นขึ้นลงลงตามตามกิเลสที่มากระทบนะผู้ที่ข้องในรูปเวทานาสัญญาสังการวิญญาณนี่แหละ จึงไปยึดว่ากิเลสเนี่ยเป็นตัวเราของเราก็จะขึ้ น, ข, นขึ้นลงลงประกาศสติควรจะพูดอย่างนี้นะแล้วถามว่าอะไรล่ะทําให้เราไปคล้องไปยึดคําตอบก็คือพวกตัณหาวิชาพวกนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ไปคล้องให้ไปยึดคําว่าคล้องคําว่าติดแล้วตรงนี้แต่พนะระพุทธเจ้าใช้คําว่าสัตต์ถ้าแปลงรูปออกมาก็คือสัตตานั่งหนึ่งไม่ได้เป็นตัวอะไรแต่เป็นแค่ลักษณะการอธิบายคําศัพท์ของพระพุทธเจ้านั่นเองเทนบาร์ค่ะโอเคนะคะงั้นก็ คงจะทําความกระจ่างให้ได้พอสมควรทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องกราบนวัสการขอบพระคุณท่านไพบูลเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะที่ให้ความรู้กับพวกเราเจนพานวั ส, สการค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะในวันพรหสัสสวัสดีและวันศุกร์สำหรับการสนทนารางวาลที่ชั้นและพระมหาพบูลอภิปุลโนส่วนถ้าฟังตั้งแต่วันจันทร์ก็จะได้พบกับท่านพิบูลตั้งแต่วันนั้นเลย เรามาฟังที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเนี่แหละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณทวดสวัสดีค่ะ